อื๋อฟังชมกันเนาะออกเอาคำพูดออกมาจากความรู้สึกที่มีความบริสุทธิ์ก็ฟังก็จงฟังด้วยความบริสุทธิ์ใจ เราชอบเราไม่ชอบไปฝังกันทั้งกายทั้งจิตใจทำอะไรก็ตามต้องมีเจตนาที่เป็นกุศลถ้าทำอะไรที่เป็นเจตนาเป็นอกุศลก็ไปคนละทาง จะเหมือนเราปลูกต้นไม้ถ้ามีความรักมีความาเท่เคียนใส่ใจต้นไม้ก็งามถ้าเราปลูกลงไปด้วยความคิดอ่างอื่นเกลียดข้านเบื่อนายถูกบงังคับไม่ปลูกอันะไรก็ต้นไม้ก็ไม่ค่อยจะงาม <c oughs> ปลูกแล้ว อยู่คนเราที่ <c oughs> ยังคิดถึงต้นไม้ที่ปลูกมีสัญญาในใจไม่ควรำักตลอดเวลาไม่ทอดไม่ทิ้งแม้แต่กายห่างไกลแต่ว่าใจยังอยู่ใกล้ๆทำอะไรถ้าใส่ะอย่างนี้ล่ะมอกจะสสำเร็จ ทำความเพียรก็เหมนกันเดินจงกรมสร้างจังหวะดากระทำอย่าทำแบบมีคติใดได้ให้เป็นกุศลคิดใดที่เป็นอกุศลเป็นบาปคิดใดที่เป็นกุศลก็เป็นบุญเราสิ้นเปลือง ความคิดไปกับอกุศลเป็นจำนวนมากคิดเล่าทําให้เราเศร้าโศกเสียใจวิตกกังวลความคิดความห่วงความอาลัยความผิดพลาด ค, คิดอะไรที่เป็นทุกข์เป็นโทษเจอตัวเองนั่นเรียกว่าอกุศลอาชิตอะไรที่เป็น กูน้อยพิ จ, จิงได้ประกอบด้วยเมตตาผู้จึงได้ประกอบด้วยเมตตาทำสิ่งใดประกอบด้วยเมตตาก็เป็นกุศลลองให้มันชัดเจนดูการทำความเพียร น, นี้เนี่นเราท่องหนังสือก็เหมือนกันตั้งใจท่องใจใจลงไป ศรัทธาความศร อ, อัตวคิดตังสฉยโยชนะตนนั่นแหลประสที่สุดโอ้ยศรัทธามากแต่ยังเป็นลาดับความพูดไม่ได้เอาอีกสักรอบหนึ่งก่อนนะอัตถวคิตังเฉยโยชนะตนแหลประสบที่สุดในโลก ว่าคำใดใส่ใจลงไปเสริมซับเข้าไปเ อ, อ้ทุกรอบวันะ้ะสามรอบติดเลยจำได้ทุกวันนน้แต่ไม่เรียนนักธทรรมต้องภาสิทธ์เพื่อไปประกอบกระทู่ไอ้ได้ทกสามติบภาสิทธิ์ไม่ต้องอดไม่ต้องยาก ไันต้องทุกข์ไปต้องยากเวลาเข้าสนามสอบไม่อดที่จะเอามาเชื่อมมาต่อไม่จนนะเนี่ยมันก็มีศรัทธาในธรรมกวามเพียนนี่ก็เหมือนกันใจที่เ ป, ปียงคิดถึงกติที่อยู่เราต้องใจยังไง ้ผู้สอนสอนห่าลายไม่จำได้ตต่ผิดก็จำได้ฉิดหลับมาต้องทุกวันนี้คิดถึงลูกถึงไงคิดถึงการถึงงานคิดถึงคนละกคนเกลียดรู้สึกว่ามันขิดหลบับแต่คิดถึงพระพุทธเจ้าตื่นขึ้นมา ไปสาวที่ยหญ่พระสูตรทอใจใส่ใจแี่แต่สวดมนต์ไม่ได้ไปบวชใหม่ไปอยู่ใหม่ไม่มีไฟฟ้าใข่เทียนจุดนิปรีทั้งตากงงง็งองนั่งใส่ใจทั้งอะไรต่างๆก็เลย ไม่ชัดเจนจะยังไงดีเรามานั่งสวดอยู่สักร้อยจบเป็นยังไงเอาหนังสือสวดวนมานั่งทำท่านั่งสมาธิกลางวันเรากองไม่เขียดไปกองหนึ่งมีห้าสิบกา้านเอามาวางพอสวดจบหนังก็วางลงก้อ อ่อก้านนั่เอาสักล้อยจบลูกไม่ขีดหมดไปก่อนเอามาก่อ น, น้ำมาข้างนี้ในสองโรคเป็นร้อยข้างไม่อยากจะถือเทียนจับหนังสือแต่เจอลองดูซิวิชูดูซิล้อยข้างน่จะติดไหมติดปากไหมตั้งใจเอาหนังสือสวนมนต์มา อ่านที่แรกอ่านอย่างช้าๆตาก็รู้อ่านไปอ่านไปมันคล่องไวขึ้นไวขึ้นไม่นานร้อยรอบจบไปสวดแัมว่ดไม่จับหนังสืออาใช้สเสียงผู้น้หมู่เพื่อนพาไป ว่าไปก็ว่าไปน้อมใจไปด้านว่าอะไรก็น้อมใจไปถ้านั้นเองไม่ต้องจับหนังสือพวกเราอยังเก็บหนังสือ <c ười> อยู่ล้านจริงๆนะเนี่ยมันยังมองเห็นอยู่ยังเป็นสัญญาเล็กๆเออเลนจงกงมันง่วง เจียหล้วยังมีอยู่ทุกวันนี้ยังเอามาเป็นเรื่องน่าเกเลียดเหมือนจงกองไปหวังเส้น ท, ทางเดาจังกองมันมันโคลนขึ้นสูงๆงเนี่ยเพื่อมาให้งูกลางคืนไม่มีไฟฟ้านวดดินดีใส่น้านวดรูปคำเลดีด บาง้นในสมัยกุงมังกรตาดีไม่ต้องจุดเทียนเพียนไม่มีเดินโยกมมองไปทางมันเป็นมันใสเดืนอนเ้นมาขวงลูกอะไรมาลูกไม่ต้องมีไฟเดินโยกรมบนทางสูงสูงมันดับดับม่าฝันฝันขนาดที่เดินก็ไปลูกนะ <c oughs> ขนาดนั่นนะมีใครบ้างเนาะเดินจะโกงฝันห <c oughs> ลับแดเดินไปทางนั่นฝันคนอ้อมไม่มาจะแทงตาอ้อมกลับมาฝันว่าคนดอนทงนี่คนจะไม่แทงตาอ้อมกลับมา <c oughs> อะไรมันฝันแบบไห น, นเดินกันไปกันมาไปทางนั่นเขาจะไม่ที่มตา กมามาทางนี้เขาจะไม่เที่ยมตายกลับไปกลับมาคนสองคนอยู่คนเราข้างมั้นเขาบังเอหามขาขึ้นมาให้สอดถามขาเราหาเรายกขึ้นวิดดินจะเซ่ลงไปขณะที่เซลงไปเซ ล, ลงไปทางเดินจงกรมเขาเซลงไปเกือบอยู่โลกโอ้มันอะไรเกิขึ้นมีไหม ก็หล่อหนาวนั่นะเดินเซหรือว่าเดินดู่รว่ายืนหลับความไม่รู้ขนาดนั้นนะอะไรตเรออายมากถ้ามีคนเดินตอนนั้นโอ้ยอดเยี่ยมเลยนี่เออมันแทนนั่นหมายเฉลี่ยละทำบางงวงมาคิด เหตหลาบก็มี <c oughs> เบื่อคิดเหตดหลาบเสียเวลามากกับความคิดใครใครก็คิดเจ่งใครใครก็เคยกินอะไรมาเป็นชีวิตที่ผ่านมาอะไรบ้างก็มันก็เปิเพื่อนบ้างด้วย <c oughs> แล้วก็พยายพยายามไม่มีหลักอยู่วะ เราต้องสร้างให้มีสติให้รู้สึกตัวเนี่ยเอาให้มันชัดเจนแม่นยำต้องหน่อยมันก็ไปได้เราจึงมั่ง ม, มากอาจจะคิดไม่มากเดี๋ยวนี้เราเสียเวลาเกี่ยวกับความคิดนานที่สุดมากที่สุดชีวิตในโลกนี่ยอาจจะมีมากที่สุดที่ที่หมดพลังงานไปกับความคิดที่ไม่มีประโยชน์ คิดเราทุกข์ก็ยิ่งมีมากคิดเราอันสุขมีน้อยเราเกิดคิดแล้วามาทุกมาต้อมใจตัวเ อ, องนะกางินนะอันที่คิดนั้นก็ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องคนอื่นเรื่องของคนอื่น น, นั้นเชื่อหมอยคิดเป็นปัญหาทั้งบั้งที่เขาก็อยู่ที่ น, น่นไม่รู้จะเราเ่าลอยเราก็อยู่ที่นี่ยังเอาหมาคิดอยูน่นะคืนเป็นควกับวนันเป็นเปรียว ขึ้นไปขึ้นมาเป็นนิสัยเป็นจริตไปเลยแล้วก็เป็นภาระไวาอาจจะตลอดพบตลอดชาติกานปฏิวัติธรรมมันเป็นกรรมฐานมันเป็นกรรมฐมานมันตัดเป็นตัดกรรมถึงว่กกรรมตัวเนี้ยมันจะแม่เอาใครจะทำอะไรมาก็ทำมาแต่ว่าเวลานี้ตัดกรรมคืออะไร ให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่ไม่ชิดไปตัดกลับมารู้สึกตัววันคิดไปกลับมารู้สึกตัวตัดกรรมตัดกรรมไม่ใช่ไปทาพธิธีแต่งแก้เสียเคราะตรงหน่วหมาหน้าหมาอะไรไปทาหนอง น, นัน เ, เข้าดําเข้าแดงไปแต่งแก้เสียเคราะหนั้นมันไม่ใช่ตัดกรรมริ่งจะไปคิดกลับมารู้สึกตัวน่ถ้ามันคิดไป เรียกว่าตัดออกมารู้สึตัวทำกรรมใหม่ให้กรรมใหม่มากกว่ากรรมเก่าเหมือนน้ำร้อนมันมีแต่น้ํายินมันมากกว่าน้าร้อนลาจจะหมดค่าไปไม่ร้อนเลยเหมือนนุกงตาอาบน้ำต้มทุกวันเนี่ยไม่มีเครื่องทำน้ำร้อนอยู่ติดดิน เรื่องทำน้ำร้อนอยู่ก็ตีนวดมานอนอยู่ที่ต้องต้มออกแล้วก็เดิดร้อนมากนา้ำต้มเพียงสามนาทีร้อนแล้วแต่ถ้าจะเอาน้ำร้อนไปปนน้ำเย็นเท่ากันมันก็อับกรดาน้ำเย็นต้องเพิ่มขึ้นอีกห น, น่อยนึง น้อยน่อยก็ไม่พอต้องเพิ่มขึ้นพอสมควรพอดีพอดีก็อาบได้พอดีนะกำเก่ามันร้อนไปเอากำใหม่ให้มากเล ย, เลยมันเย็นได้นะให้บ้านใจตรงนี้หน่อยว่าผู้เจ้ากำมุนาวัตะติโลโกสัตโลกต้องเป็นไปนตามกำกำดีกำได้นี่ยมันอยู่ที่การกระทำของเราเดี๋ยวนี้เรามาทำกำดี มืถือบวชแล้วนี่ครับนะอ่านี่คำวนะ่าเป็นอุบายออกจากกรรมถือบวชเป็นอุบายถ้ามาบวชนี่เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมก็ได้รูปธรรมก็โห <c oughs> นผมงมเหลืองงมขาวนามธรรมก็ดำริออกจากความชั่วมันคิดจะไม่คิด นั่เคยมาอย่างไรก็จะไม่ทำดําเบริออกจากความชั่วได้มีจิตใจเป็นใหญ่นําไปแต่ต่อเอาศีลต่อสมาธิเอาปัญญาสัทธาวิยะความเพียรต่อการรทนี้ีมันมีดีอยู่เนี่ยสติสัมชัญญาเนี่ยถ้าจะมีอะไรมากไปกานี้ก็ ความดีมันก็เกิดขึ้นอีกเยอะแยะขอให้ตั้งต้นต้นนี้ได้นี่ว่าเรามีอุบายออกปวดดำริออกจากความชั่วโดยนา ม, มาทาจิตใจเป็นใหญ่ไม่แช่รูปแบบถ้าเพียงรูปแบบเฉยๆเลยถ้าไม่เข้าถึงแบบพิมพ์แบบอย่างมันก็ไม่มีประโยชน์ อาจจะหลอกอาจจะหลอกกันได้หลอกตัวเองได้ล้วเอาเป็นนมามธรรมเข้าไปทั้งรูปธรรมนามธรรมเข้าไปสิทธิเท่าเทียมกันอันเดียวกันตกกชีวิตไม่มีอะไรที่เหนือกว่ากันถ้าเป็นการดำเออกจากความชั่วแล้วใช่ได้นี่เราก็มาตัดกรรมตัว น, นี้กรรมกรรมล่อนมาเย็นลงเย็นลงเย็นลง ที่เร็วกว่าหลงมากกว่าลู่ออาไปมาหลงหน้อยกว่าลู่ลู่มากกว่าหลงอเ น, นี้ยกำไรมันมากขึ้นมากขึ้นเอาไปมาไม่หลงเลยเนี่ยอันเป็นแบบนี้มนุษย์มันพื้นฐนได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่เอาชาติชั้นวันนะมาขวงกั้นไม่เอาเพศอาวาัยมาขวงกั้น มาทดลองเท่ากันชีวิตเท่าเทียมกันเรียกว่าสามัญลักษณะสามันลักษณ ะ, ษณะที่มันใหญ่กว่าอันอื่นๆกรมโลกอยู่เรียกว่าสามัญลักษณะเป็นใหญ่ที่สุดสามันลักษณะคือไปรักไปรักคือ ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความมาช่ตัวตนไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าสิ่งเหล่านี้สามวันนี้มึงจึงมีเท่าๆกันความไม่เที่ยงอยู่ในไวไน้ใดก็อยู่ในความไม่เที่ยงอยู่ในเพศใดภาวะใดลัที่ใด น, นี้กายใดมีความไม่เที่ยงแม่แต่ต้นไม้ต้นเสาบ้านเรือน ตกจิงกองในโลกนี่ตกตัวในความมาเที่ยงทั้งนั้นนี่คือวันใหญ่ไม่ใช่เราใหญ่เอกจากความมาเที่ยงความเป็นทุกข์มัก็ทนอยู่เนี้ยทนสองหัอไตนี่ก็ทนอยู่เนี้ยมันจะได้จีปีลองทนก็เสื่อมชงไปแล้ว อาจารย์ต้มต้งซ่อมอยู่ตลอดเวลาได้สี่ห้าปีมาแล้วมาล่วยซ่อมอะไรซ่อมอยู่จยางไหนมันไม่เที่ยงแต่ามาจึงซ่อง ม, มันไม่เที่ยงถ้าปล่อยมันก็เสียหายใช่ไม่ได้ต้มไม้อันเป็นว่าถจึงของแต่ว่าอันคิดของเราเนี่ยมันเลวร้ายกว่าเสาต้นนี้ แต่ตอนนี้มันมีอยู่นี่เอามาเปลี่ยนได้แต่ว่าชีวิตของเรามันเปลี่ยนไม่ได้เราควบหนุ่มมาเปลี่ยนควบใจมไม่ได้มันไม่เทียงเราก็เป็นทุกต้องลองพัดหนดูหนาวก็หนาวแสงแดดออกมาหรือโนก็ร้อนลองฝนตกมาก็เปียกมันก็เป็นอยู่นี่ชีวิตเนี่ยต้องหายใจเข้าหายใจออก ต้องกินต้องทายต้องหลับต้องนอนหลบลี้หนีภัยภัยก็เยอะมีตั้งมากมายอะอะไรต่างๆที่มันเป็นทุกข์เด้แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่มีใครป้องกันได้ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนจะไปค้องอะไรมันไม่ใช่แล้ว อะไรเราเป็นใหญ่ไม่มีมีบ้านหลวงตาเนี่ยมีตระกูลหนึ่งที่เป็นที่ตระกูลที่ฐานะดีที่สุดมีแม่แจแฉะมีลูกสาวแล้วก็ไม่นาเป็นร้อยไร่ มีวมัวมีควายเป็นพวงผงก็มีคนมาเป็นลูกเขยคนมาเป็นลูกเขยก็ถือว่าเลือกสุดยอดไอทางถานะไปเมยยายก็ตายไปเอาไปมาเมียก็ตายไป เอาลูกช้างมาเป็นคนใช้ทํางานช่วยเอาลูกช้างเป็นเมียเอาไปมาเมียก็ได้ลูกขึ้นมาแล้วก็เอาไปมาก็คนคนนั่นที่ได้เมียอันเริ่มรวยก็ตายไปอีก แ น, นี่ก็เมียใหม่ทึ่เป็นลูกจ้างคนจนมาอยู่ด้วยเป็นเมียเป็นผู้คลองซับเอาไปมาก็เนี่ยยังมีอยู่นะ่บ้านหลงตาช่วงอาอยุหลงตานี่เห็นอยู่เราจะเอาผู้หญิงคนนี้เป็นเมียก็ได้นะแต่กว่า <c oughs> <c oughs> ก็ยังรุ่นราวเขาเดียวกันเนี่ยเห็นเยกยบตาอยู่เนี่ยเ <c oughs> นี่ยมันเป็นของใคร ไม่ใครเป็นใหญ่ในโลกเนี่ย <c oughs> อะไรเป็นของของเราอ่าไปคิดอะไรเสียเวลาเรื่องนี้ทําไมจะฮองอะไรงอนใงของเราหรือเปล่าวางใจไม่ใช่วางจากการถือครองใจวางลงปองไว้บ้านก็อยู่โ น, นู้นลูกก็อยู่โ น, นู้นหลานก็อยู่โ น, นู้น เราก็อยู่นี้ให้เราอยู่นี้ปัจจุบันนัปัจจัจจะโยธรรมมองตาตาตาตปิปัจสติเห็นปัจจุบันนัธรรมเห็นอดีตที่ผ่านมามันหลอกอนาคตยังไม่มามันก็หลอกมันทำอะไรไม่ได้เคยเสียใจยตั้งแต่สีปีแล้วคนที่ทำาเราเสียใจเร า, าลืมไปแล้ว เราไม่รู้แล้วอาจจะเขาขอโทษแล้วแต่เรามานั่งเสียใจอยู่วัดป่าสุโกโตนี่อะไรอ่ะมันโง่หรวอมันฉลาดกันแน่หน้าห่วงอะไรเอกเป็นห่วงเขาก็าเป็นห่วงเขาเราอยู่วัดเนี้ยเขาอยู่บ้านนอนเขารู้ไหมว่าเราห่วงเขาเร า, า จ, จะไม่คิดถึงเราเอาแล้ว ไปมือไปวัดไปบาอยู่วัดอยู่บาก็พน้นแล้วแม่ไปวัดก็พน้นแล้วตาขางเขาวัดเลย <laughs> ตาขางไปวัดแล้วเออเราก็ดีใจแ ล, แล้วเรามาอยู่นี่ยังมาห่วงเขาหวงลูกของหลานนั่นอะไรกรันเคยพูดในฝฟังน้าหลวงตาในเป็นครูสามีเขา มาไปที่บาทเมียไม่มาห่วงลูกหงหลานสายมีเป็นครูเมียเป็นแม่บ้านสลาตาเป็นญาติทางเมียเขาแล้วก็ได้ลกูกห่วงลูกมาไม่ได้แต่ลูกก็ไปเรียนหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> อยู่หาไปทยาลยเชียงใหม่อยู่กรุงเทพ เวลานอนเราคิดคิดแล้วนอนไม่หลับคิดถึงลูกอยู่เชียงใหม่อยู่กรุ ง, งเทพสามีนอนหัวเขานอนแล้วก็หลับก็าปลุกหัวขึ้นมาพ่อพ่อนอนก็หลับเลยหรือมาคิดถึงลูกถึงเต่าหรือปลุกหัวขึ้นมาไม่คิดช่วยกันน่อย มันหลับรลอยเหลืออะไรเขาบอกว่าอคิดถึงลูกก็โดนนะมันหลับถ้านอนไม่หลับมันไม่มีประโยชน์เลรเดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นยากลําบากกัลูกอาชิดทําไมลูกมาอยู่กรุงเทพเชียงใหม่เรานอนอยู่ที่บ้านเน่นอนน้ําหลับฉันนอนไม่หลับฉันนอนไม่หลับคิดถึงลูกอฉันไปหาลูกสวรวันได้ไหม วันเสาร์วันอาทิตย์น่ะน้องไม่ไปสอนต้องเรียนพาไปแล้วจึงจะอาจจะสวายใจพาไปได้ไหมว่าจะมีก็พาไป <c oughs> ไปแล้ว่าถึงตอนค่ำในวันศุกร์บ้านเห็นแต่บ้านปิดอยู่เข้าบ้านไม่ได้ สองสามีพัญญานั่งอยู่ไล่โยงร้อยชั่วโมงดึกดืนเที่ยงคืนลูกสาวกลับบ้าน <c oughs> ไม่เห็นลกูกถามลูกว่ามึงมามึงมาแต่ไหนยีนั่งไปเต้นมาแร้วองทีเขาไปเต้นลํำสนุกสนานอยู่ยพ่อแม่นอนคิดทั้งข้อ <laughs> ก็เนียเสียอุจจาคิดถึงอย่างแรงมันสนุกสนานเดี๋ยวเรามันบ้าลรืวมาหายความคิดถึงแค่เดียวไปถามเห็นหน้าเขาไปเผาเขาไปกลางคืนเ้าเขากลับบ้านมาถามมามาจะไหนนางไปเต้นมาไปเต้นลำมานั่นเป็นสาวนี่ไหมพวกเรา น้อง่นีเป็นสาวก็ม่ทำมันเทพไปทำงานเราไปเต้นเราอยู่พ่อแม่เป็นห่วงนะคิดถึงแม่หรือเปล่าอาจจะมาคิดพ่อแม่คิดถึงคนดีก็คิดถึงคนชั่วก็คิดถึงจะ่คิดทางคนดีก็ทุกข์เหมือนกันคิดท้งคนชั่วก็ทุกข์เหมือนกันคนดีอาจจะคิดมากกว่าคนชั่วด้วยเสียใจมากลูกฉัน ลกหัวเจ้าหัวเวินคนเดียวเท่านี้มาเป็นอย่างนี้อาจจะทุกข์มากดีมันก็ทุกข์ชั่วมก็ทุกข์ความทุกข์ไปเรื่อนมาอยู่กับคนอยู่กับวัตถุจั่งของมหน่มยเที่ยง <c oughs> นี่ไม่ใช่ตัวเช่ดตนนะเนี่ยไม่ใช่เที่ยงจริงๆเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน อย่าระยืดเอาเฉยเวลาจญิงๆงคือเดี๋ยวนี้ลักลูกลูกเต้าก็าทำตัวให้ดีอย่าไปคิดให้มีสุขภาพคิดที่ดีอันคิดมันก็ไม่ ป, ประโยชน์เลยถ้าเราคิดเฉยๆไม่ทำตัวให้ดีก็ไม่มีประโยชน์ถ้าทนตัวดีวางเนี่ยความคิดก็ช่วยเลยม่ได้ สเขาได้ดีสิเขาเสียหายไม่ต้องมาโทษเราเพราะการกระทําของเขากรรมเป็นของใครของมันบางทีเรกคิดเล่าโมออย่าเราไม่ไดเอาเล่าเลี่ยงมันเราเลี่ยงน้ำน้มจากอกเลี่ยงปั้นข้าวก้อนข้าวอย่างดีแต่มันไปกิน สิงเสพติดจินเล่าหมอยาเป็นเรื่องของเขาเพราะไปทาชั่วเป็นเรื่องของเขาจะมามาทุกข์ไม่ใช่ความผิดของเราได้จะมาทุกข์สัอเระโลกเดี๋วนี้เราเดือดร้อนเพราะคนทาชั่วจะไปคิดตัดใครหรอกเราไม่ตัดต้นไม้ชักต้นคนอื่นตัดต้นไม้ เราก็เดือดร้อนลูกมันร้อนเพิ่มขึ้น <c oughs> นั่นเสมอการคนเดินคนนอมลายเราไม่ได้ทําลายแต่เราก็เดือดร้อนเท่ากันจะไปโกรธใครโกรธกรรมอะ่รนั่นกรรมมันไม่ดีบันทบไม่ดีจะทําไงสอนถ้าใครทำชั่วโอ้ยเราไม่ยังไม่ได้สอน เลยบอกเขาถ้าใครทําชั่วเราบอกเขาแล้วเราบอกเขาแล้วเขาไม่ทําตามคําสอนก็วางได้ตอนที่ยังไม่ได้สอนเขาทําความชั่วก็วางได้เราจะไปเอารับผิดชอบทั้งหมดก็ไม่ได้เราก็แค่นี้เนี่ยก็าวางได้ทั้งนั้น น่าจะมาทุกเนี่ยโอ้คนทําลายโลกเนี่ยอยากเป็นทุกข์กว่าอันลูกเต้าของเราญาติพี่น้องของเรามันเป็นชวนรวมเป็นบาปหนักกว่ากันอันลูกของเราก็ลูกของเรามันมน้อยๆัรรสองโลกเนี่ยใครจะช่วยโลกเนี่ยพูอเจ้าของเราเนี่ยช่วยโลกเห็นการเกิดเจ็บตาย <c oughs> ของจอดโลกเรามาคิด ก, กันกระทำเราเนี่ยจนได้แต่จะลูกออกมาสอนพวกเราเนี่ยมีใครบ้างคิดอย่างนี้หรือคิดแต่เรื่องลกูกเรื่องหลานของตัวเองไม่คิดถึงเรื่องโลกเนี่ยโอ้ยมันยิ่งใหญ่นะให้รับผิดชอบเนี่ยถ้าเรามาคิดถึงโลกที่ช่วยเหลือโลกได้แล้วนีะยัารเกิด เ, เจ็บตายเนี่ยเป็นของสามัญลักษณะ ไอ้ทุกขก่อนเจ็บไม่ทุกคกนตายได้ไหมเนี่ยหาทางตอนนี้มันจะถูกต้องกว่าเนือนการกเะิเจ็บตายแล้วมันก็มีทางแล้วเป็นมิตรภาพมองไปเนี่ยโอ้ยเหมือนทางมิตรภาพเราขับรถนั่งรถตามถนนทางมิตรภาพมันบอก บอกจุดผิดจุดถูกอันตรายตรงไหนอันบอกผู้เจ้าก็เหมือนกับวิถีภาพทางธรรมทางชีวิตใครมีทุกเรื่องความไม่เที่ยงใครมีทุกเรื่องความเป็นทุกข์ใครเคยเป็นทุกข์ความมาช่วยตัวตนร้อยเผอิญทุกเรื่องนี้กันแล้วมีใครไม่เป็นทุกข์ความไม่เที่ยงใครเป็นไม่เป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ ไปไม่เป็นทุกข์ประความไม่ใช่ตัวตนมีพระพุทธเจ้าเราก็สวดอยู่ทุกวันว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อ น, นั้นโยบหนยในสิ่งที่เป็นทุกข์ทุกที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระานเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงคนในโลกแต่การตัดจารุของพระเจ้าว่า อันความไมเที่ยงไหไเป็นนิพพานเลยทีเดียวลองใส่ใจตรงนี้ดูเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ด้านย่อมหน่อยๆในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั้นแหละเป็นทางแห่งปณิพานธ์อันเป็นธรรมโอชดมีไหมใครเป็นทุกข์ความเป็ทุกข์คนที่ไม่เป็นทุกข์ความเป็นทุกข์มีแล้ววีร้อยประเสริ <c oughs> ไอเป็นทุกความไม่ใช่ตัวตนผัสภาคจากของเล่ของชอบใจเสียอกเสียใจเพราะสิงที่พัดภาคจากการไปอันความไม่ใช่ตัวตนเนะ่ยมันไม่ใช่ตัวตนอย่างเก่งไหนตัวเรานี่ดูสิเนี่ยสองตาก็จะไม่มีเสียงแล้วนะก่านเสียงดีดีนะไอเสียน้อยแต่นี้ก็ไม่มีเสียงแล้วหูก็โดกแล้ว มันไม่ใช่ตัวตนมันไปแล้วไปไม่กลาบแล้วหรีนี่ก็แก่ขึ้นแล้วเดินก็ยึกยๆกยักเหรอมันไม่ใช่ตัวตนเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ประความไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละเป็นทางแห่งพระ涅槃เป็นธรหมดจดมีอย่างนี้นี่ศาสตรดาของเราพริสูจน์กันเถอะพวกเรา ยามาเป็นทุกข์ควไม่เที่ยงอย่าเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์อยามาเป็นทุกข์ความขิ้ตัวโต้ย่าดื้อเธอมาใส่ใจตัวนี้สักหน่อยแน่นอนที่สุดอะไรล่ะเป็นทุกข์ว่าโดยย่อบทานขัดลังงาเป็นตัวทุกข์ไปยึดน่ะมายึดเลรอมันจะมาขาเราไหม่ ความไปเที่ยงมันก็ไว้งอใครนะมันก็ไปของมันเองในความไปเที่ยงนี่ยยึดเอาว่าเป็นตัวเราอว่าโดยย่ออุปัฏานขันธ์ทั้ห้าเป็นตัวทุกู้ปูปะาสดงขันธโทขันธ์นั้นเป็นในตั้งแห่งความเยื่อมันคือลูกลูกเป็นลูกประธรรมยึดมั่นในความเป็นลูกยึดมั่นแห่งความเป็นเวทนา ยึดมั่นใงความเป็นสัญญาทึกยึดมั่นในความเป็นสังขารยึดมั่นในความเป็นวิญญาณน่ารู้ย่อนลยมันก็คือเนี่ยร่างกายจิตใจของเราเนี่ยไม่ขันหน้าไม่ทาสี่กันหน้ายึดมั่นมันรูปเนี่ป็นๆใช่รูปดีกว่า็นตาก็เป็นรูปหูก็เป็นรูปเสียงก็เป็นรูปจมูกกินเลี่ยมรสเป็นรูปสัมผัสเราเก็บปวด นั่นก็เป็นลูนนก น, นามาลูกเหมือนเกิดไป ย, ยืดเอาไป ย, ยืดเอาความโกรธว่าเป็นเรา <c oughs> นั่นเป็นนามารูปแนละ้วความโกรธมาเกิดขึ้นแล้วหลังหันเกิดขึ้นแล้วกกแกเราอ จ, จิลังบาจิยังกาโยโดยบางสุกุลหมายบางสุกุลตายบางสุกุลเป็น อ, อนนี้จอประจังคาล์สังขารเกิดขึ้นแล้วจะเล่าเล่าหนอมันเกิดลอยเกิดลักสังขารนะตัวนั้นเมืันเกิดเกียดสังขารเราอะไรอาวรณ์เป็นสังขารนะสังขารเกิดแล้วจะเล่าเล่าหนออบปะทาไว้ทำเมนโนไปยึดเอาไว้ว่าเรา เราทุกเราได้เราเสียเราแพ่เราช น, นะเยอะแต่วไวอุปชิตตวโรชันติมันละได้อยู่ละได้อยู่วางได้อยู่อย่าไปยึดเงินมือเราไปยึดเอาอุปทาพยายามทำให้ายึดไวอุป च ิตตวโรชันติมันวางได้อยู่นะวางลงเลยจีไปสังบุปชโมจุโก วางไปไมีความสุขอันยึดอยู่วางเนาะเตสังบูปทงอุตหัวางแล้วอยู่เป็นสุขเป็นสุขอายุตยได้ทางามันทุกข์อยุตยวางมันก็สุกมันอยู่กับท่นี้เท่านั้ น, นอุปทานในรูปในนามในความรักความชาม่ำความผิดความทุกข์เนี่ยอุปชิตตวารุชนเตะสงบทงอุตหั วางแล้วจู่เป็นชุกอยู่เป็นทุกวางเป็นไหมแต่วางไม่เป็นเย็นไม่ได้มันอยู่ที่ไหนไปโทษใคร <c oughs> มันอยู่กับเนีายสมมาทิติมิจฉาทิติสมมาทิติเห็นเป็นทางวะมิจฉาทิติเข้าป่าเข้าฟงวะแล้ววางของทุก ความไม่ทุกข์ถ้าวางมันทุกข์เห็นมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ลองดูสิไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นมันทุกข์มันก็เรื่องกันเลยเห็นมันร้อนไม่เป็นผู้ร้อนเห็นมันหนาวไม่เป็นผู้หนาวเห็นมันเกิดไม่เป็นผู้เกิดมาเกิดแล้วเห็นมันแล้วไม่เป็นผู้เกิดแล้วเห็นมาเกียรต เห็นมันแล้วไม่เป็นผู้เกลียดเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ลองดูชี้ให้เห็นบอ ก, กง่ายให้เห็นอย่าไปเป็นเนี่ยนั่นไม่หนักอะไรถ้าเป็นมันหนักถ้าเห็นมันไม่หนักมันเบามาคนละอ่านกันเออเจ้าจะมาตัด เ, เรื่องนี้มันอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ที่เรานี อยู่ที่เราเนี่ไม่ใช่อยู่ที่ใดอยู่ในโลกโลกคือกายก้องสอกยาวาหนาเคลือบนี้แทรกดูสิก้องศอกหนึง่งใช่ไหมเอาสอกวัดดูเช่นหน้าอกก้องศอกหนึง่งยาวาหนึ่งหนาคลืบหนึง่งคลือบเนี่ยอมีสัญญาจิตใจเนี่ยคือคนคนหนึ่งเนี่ย มันมีอยู่นี่แล้วเรียกว่ามนุษสมบัติแล้วนะอันนี้พร้อมที่จะวางได้เหมือนมือเหมือนกายของเราเนี่ยแบกก็ได้วางก็ได้ยกก็ได้หิ้วก็ได้มาเพื่อจะแบกจะวางเพื่อจะยกจะหิว้วอะไรพอแบกไปก็แบกขนกันไปขนไปไหนขนในพ้น จากควาเหนีวไปหลงก็ดึงกันไปให้รู้แล้วก็ขนตัวเองเจอคนอื่นด้วยจนกันมาจนกันไปเห็นเพื่อนหลงก็อย่าหลงเตือเพื่อนอย่าทุกข์เตือเพื่อนอย่าโกรธเตือเพื่อนบอกไปก่อนหลวงพ่อเทียนก็เคยสอนพวกเรา เคยส อ, อนพวกเราเอาผ้ากุมหัวเห็นไหมไม่เห็นทําไงจะเห็นเอาผ้าออกเอาผ้าออกจากหัวใครออกให้เปิดออกมาเปิดออกมาเห็นไหมเห็นไม่เป็นอย่างนี้แต่มืดมันไม่เห็นคือวิชาถ้าเห็นมันก็มืดเหมือนแสงจะวาง แส ง, ววงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีปอาทิตย์สว่างในกลางวันพระจันทร์สว่างกลางคืนแต่แสงสว่งงางแทางธรรมนี่แว่างทั้งกลางวันกลางคืนสามารถที่จะไม่หลงทุกโอกาสไม่ต้องาอาศัยเหตุปัจจัยใดๆมันเป็นปัญญาเห็นเชง้อผ่านดูเห็นแล้ว เหตุเกิดทุกข like e ์เห yeah, uh, ็นแล้วก็เหตุที่เกิดทุกข์ละได้แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้อย่าเอาให้เป็นการบ้านข้างไว้อย่าโอมทุกข์อย่าโอมหลงอย่าโอมโกรธทำแล้วมันหลงรู้แล้วเท่านี้เองมันทุกข์ก็รู้แล้วเท่านี้เองมันโกรธก็รู้แล้วเท่านี้เองเป็นไม่เปลี่ยนไปกระมังก็หยุดเท่านั้นไม่มีอำนาจใดๆ มันไม่หยาบคายความโกรธความโลภความหลงแน่แต่เราเนี่ยมันชอบไปรู้ความคำอยู่นี่ปฏิบรรัติทำเป็นอ ย, อ, อ, อ, ยอย่างนี้สำเร็จมือนมือเราหงายมือคว้ามืออย่มันไม่ยากไม่มั่นใจเถอะอย่าคิดเป็นเรื่องอยากเอาแล้วมาอยู่สุกโตนอนแล้วไม่มีอะไรเลยไม่ใช้ มันมีอยู่กับเรานั่นแหละไม่ใช่อยู่สุกุตูมันหลงก็อยู่กับเรามันลูกก็อยู่กับเรานั่นแล้วเราเป็นเพื่อนกันตรงนี้ถ้าเราจะเคารพพระพุเจ้าก็จงเคารพพระธรรมพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมพระธรรมก็ดลายตอนทุกข์เป็นธรรมที่เป็นอกุศลความไม่ทุกข์เป็นธรรมที่เป็นกุศลให้เคารพตรงนี้ อย่าดื้อถ้ามันทุกข์ก็เคารพโอ้ยกลัวมันก็เห็นงูอย่าเข้าไปใกล้บ้านไอ้เคารพกุศลความมีทุกข์ก็มีมองข้ามไปจากนี้ยพระเจ้าเคารพพระธรรมไรเป็นมาแล้วกำลังเป็นอยู่ซึ่งจะเป็นไปในข้างหน้านี่คือพระเจ้าเคารพพระธรรมคุณจะเห็นธรรมคุณเห็นว่าพระพุทธเจ้าผู้ณจะเห็นพระพุทธเจ้าคุณเห็นธรรม พูดดเห็นทำรมพเูเห็นเหตุเห็ น, ห น, หนปัจจัยอยู่เฉยๆมันไม่มีรามันจะทุกข์มันคิดอะไรขึ้นมันไม่รู้มันไม่มีสติเอ่งที่เราเรนี่ยก็ทำได้อยู่รู้เชกตัวรู้เือไปมันทำได้ทุกโอกาส อ, อันนี้หลวงตาก็จะไปกรุงเทพอนลวงอกรมหมนัดไปตรวจสุขภาพ ถ้าหมอบอกว่าไม่มีมโรคเกิดขึ้นแล้วให้นอนลงพยาบางอาจจะได้นอนนะถ้าหม อ, อว่าไม่เป็นอะไรก็จะกลับบ้านวันที่ห้าวันที่สี่ตรวจโรควันที่ห้าถึงนี่ตึงนี้วันที่สี่ตรวจโรควันนี้จะออกจากวัดตั้งแต่เจ็ดโมงไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลใช้ภูมิตรวจเลือดรอผ ล, ลเลือด ก็เดินทางกรุงเทพให้หลานสาวไปด้วยสองคนก็จะไปแล้วอ่านอนันวันนี้ก็สมควรเจอลาอาพระพ่อเมอกัน